สุริตาเยนะโซโรเกอาคาปุขระตังขะโตก็ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็ตลอดถึงพระธรรมและพระญาณสงฆ์เจ้าทั้งหลายบารมีสิบประการนะที่มีอคละเป็นที่สุด ที่ประดับไปด้วยอัคคระห้าสิบห้าอักคระท่านผู้ใดบำเพ็ญเต็มที่แล้วท่านผู้นั้นย่อมถึงความเป็นบุคคลผู้เลิศในโลกในบารมีสิบประการ น, นั้นน่ยก็คือทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยาบารมีขันติบารมีสัจจาบารมีอธิฐานนบารมี เมตตาบารมี i, แล้วก็อุเบกขาบารมีในบา ร, รมีทั้งสิบประการนั้นนะนะที่ท่านผสมอักษรเข้าไว้ที่ท่านใช้คําว่าปารามีเนะี่ยมีอยู่ห้าอักขระถสีละปารมีหรือศีละปารมีก็มีอยู่ห้าเนี่ยนะเป็นต้นเป็นไปตามลําดับสรุปเบสเสร็จก็คือ น, นั่นแหละในบา ร, รมีทั้งสิบประการก็มีห้าสิบห้าตัว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 ไม่โกรธนั้นรวมไปถึงความไม่หงุดหงิดไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคาญใจเยอะแยะหมดเนี่ยนะประการที่สามอโมหัชชาสยะอธัธยาศัยที่ไม่หลงก็คือสภาพปัญญาที่ถึงขั้นในการพัฒนาเนะเป็นไปตามลำดับเริ่มตั้งแต่กรรมสกตาปัญญาเป็นต้นไปจนถึงน้เนี่ยมรคปัญญาผลปัญญาปัจเวชนาปัญญาเป็นต้นเป็นที่สุดเน่คัมมัชชายะก็คืออธัธยาศัยที่ปลีกตนออกจาก กามออกจากกิเลสกามและวัตถุกามดังกล่นิสระนัดชาสยะอัติยาศัยที่สลัดออกประการที่หกก็คือปะวิเวกัดชาสยะอัติยาศัยที่สงบเงียบนี่นะที่นี้ในด้านของสภาพบารมีทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายจะศึกษาเราก็จะต้องรู้จักรลักษณะของบารมีให้ชัด ถ้าหากเราไม่รู้จักลักษณะของบา ร, รมีให้ชัดแล้วเนี่ยเราจับบำเพ็ญบา ร, รมีได้อย่างไรในลักษณะของสัพพะบา ร, รมีทั้งสิบประการอุปบา ร, รมีสิบแล้วก็ปรมัทธบา ร, รมีสิบโดยรวมนั้นนะ่ะมาจากคำว่าปรมาภรานุขคหะรักขนามีการอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะ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 อะไรคือผู้มีคุณแล้วก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครใครคือเป็นพระพุทธเจ้านะคุณเป็นพุทธเจ้าหรืออะไรกันแน่เป็นพุทธเจ้านะซึ่งเรายังไม่ได้ชัดเจนในกรณีของการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ละเอียดลึกซึ้งหีเตหีตาปจุปถานามีการแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเป็นผลปรากฏหรือ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 การุณูปายโกสละปทฐ า, านาวามีสองลักษณะบอกว่าอัธยาสัยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีพระหมหากรุณาเป็นเหตุใกล้หรือมีความฉลาดในอุบายกรุณาเป็นเหตุใกล้สรุปแล้วคือสองกรณีทั้งปัญญาทั้งกรุณานั้นต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าการุยะการุณาน้อยปัญญาก็จะน้อมในการที่จะตัดกิเลสเป็นสมุทเธได้าบัหารวาตัสใช่ห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 บารมีทุกข้อที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาที่เป็นพระหมหาโพธิสัตว์เนี่ยนะในขณะที่บำเพ็ญทานบารมีศีลเลขธรมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาแล้วเบิกขาเนี่ยตัณหาคือความยินดีติดใจมานะคือเยอะยิงหรือตัวทิฏฐิคือความเห็นผิดเนี่ยจะไม่เข้าไปทําลายแล้วด้วยถ้าให้ทานด้วยตัณหามานาทิฏฐิบำเพ็ญศีลด้วยตัณหามานาทิฏฐิจนถึง บำเพ็ญปัญญาอุเบกขาบารมีด้วยตัณหามาณาทิฐิก็ไม่เรียกว่าบารมีฉะนั้นท่านจะต้องคอยระมัดระวังตลอดเวลาที่จะไม่ให้ตัณหามาณาทิฐิเข้าไปกล้ามกรายอัธยาศัยของท่านให้สังเกตดูบอกว่าบารมีเนี่ยคําว่าปารามีเนี่ยจะแก่ปรังใช่ไหมไมาจากคาว่าปารังก็คือนิพพานนั่นเองเป็นบทหน้า มัคคทธาก็ลงในในความไปลงนีปัจจัยก็ลบเลยลบที่สุดของธาตุก็เป็นปรามีก็แปลว่าคุณธรรมคุณธรรมที่มีทานศีลเนคขมาปัญญาวิริยะขันติสจัจจะทิฏฐานเมตตาและอุเบกขาไปให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานนั่นเองเขาถึงบอกคุณธรรมมีทานเป็นต้นเพื่อจะให้ถึงฝั่งบรมธรรมบรมธรรมในที่นั้นก็คือฝั่งก็คือพระนิพพานนี่เนี่ย เออทำมาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นอะไรจะเห็นบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ที่ท่านบำเพ็ญมาอย่างยาวไกลเนี่ยเพื่อจะเป็นพื้นฐานนะพื้นฐานในตนสําหรับที่จะรองรับปรมาธรรมแม้นยังบกพร่องอยู่ก็ไม่มีทางที่จะบรรลุบรมธรรมได้ทานบกพร่องก็บรรลุไม่ได้ศีลบกพร่องก็บรรลุไม่ได้ เนคคำมะปัญญาเวริยคันติสัจจะเป็นต้นเนี่ยแต่ระบารมีนั้นถ้าหากบกพร่องแล้วเนี่ยจะเป็นพุทธเจ้าก็คือบุรุษบรมธรรมระดับเป็นพระเจ้าไม่ได้ดังนั้นท่านผู้มุ่งต่อบรมธรรมนะบรมธรรมมันหลายบรมธรรมอยู่ไหมบรมธรรมสูงสุดก็คือของพทธเจ้าลองมาพระประย์พระเจ้าแล้วก็อัฆวะสาวกก็ว่าไปถ้าผู้ที่มุ่งตรงต่อบรมธรรมกล่า็คือพระนิพพานจําต้องสร้างอัจฉริยะใสของตนตามแนวนี้ ได้แก่บําเพนบารมีสิบดังกล่าวมีทานบารมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบารมีเป็นที่สุดแล้วก็อุปปา บ, บารมีสิบปรมาธาบารมีสิบใช่ไหมเขาเรียกว่าบารมีสามสิบทักษ์นี่แหละเพื่อจะสร้างอะไรเพื่อจะสร้างอัธยาศัยทั้งหกอัธยาศัยทั้งหกให้เกิดขึ้นในไหนให้เกิดขึ้นในตนฉะนั้นบารมีทั้งสิบประการนั้นจะช่วยสร้างเสริมอัธยาศัยหกประการก็คืออะไร ทานบารมีสร้างอโลพัส ช, ชาสยะสร้างอัทยาศัยที่ไม่โลภสีละบารมีก็สร้างอัทยาศัยที่ไม่โกรธรวมขันติบารมีมเมตตาบารมีด้วยเห็นไหมว่าในสีละบารมีขันติบารมีมเมตตาบารมีทั้งสามบรมาบรมีเนี่ยสร้างอัทยาศัยที่ไม่โกรธไม่โกรธ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 ดังน้นเดี๋ยวรายละเอียดก็ไปดูนะแต่สรุปตรงนี้ก็คือว่าในทางด้านของคําว่าทานบารมีสร้างอโรมพัฒชายะเคืออัจฉริยะใสที่ไม่โลภศีลบารมีเนคขมารบารมีขออภัยขันติบารมีเมตตาบารมีเนี่ยสร้างอัจฉริยะใสที่ไม่โกรธแล้วท่านทั้งหลายก็มาดูศีลบารมีแข็งแรงไหมขันติบารมีแล้วก็เมตตาบารมี ถ้าไม่แข็งแรงดูไม่ยากดูจากอัตยาสัยที่เป็นคนมักโกรธผูกโกรธหงุดหงิดปุ่งสร้างอยู่วันๆเนี่ยนะอันนั้นบอกบอกถึงว่าบรารมีสามบารมีนี้ไม่แข็งแรงไม่ไประชมในใจเลยอ่ะไม่สามารถขจัดความโกรธความหงุดหงิดความปุ่งสร้านความลําคาญใจพยาบาททั้งหลายใช่ไหมกลุ่มพยาบาทนิวร์ทั้งหลายเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยหงุดหงิดทุกเรื่อง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 ที่ก็าจะมีทศการที่โยมจะทำารกั น, กนถามบอกว่าเรามองภาพเนี่ยซึ่งเป็นสื่อบ่งบอกใช่ไหมอาศัยจากขุทวานวิถีจิตที่ผ่านัางจากขุทวานลงสู่มโนทวารแล้วเราเห็นอะไรเราเห็นแค่ภาพหรือเจาะทะลุทะลวงไปเห็นคุณของพระบรมศาสี ร, ริสดาถ้าเห็นแค่ภาพนั้นปัญญาไม่ทำงานเนี่ย แต่ถ้าสามารถเจาะทะลุทะลวงจากภาพไปสู่อัตตะสู่เนื้อความสู่เรื่องราวต่างๆเด่นชัดในใจได้อันนั้นมาบ่งบอกถึงอะไรปัญญานั้นทะลุทะลวงได้จริงๆหรือฟังเสียงด้วยโสตะทวในโสตะทวารวิถีเนี่ยทำงานกิจใช่ไหมก็ลงสุ่มโนโทวารดันดีเร็วมากได้แค่เสียงใช่ไหมถ้าได้แค่เสียงเนี่ยผ่านไม่ได้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 นั้นเน่ยต้องมองให้เห็นว่าพระบรมศาสดานั้นมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระทั่วสังคมโลกทั่วโลกสาวกของท่านเนะี่ยที่ท่านผลิตมาเนี่ยนะที่เกิดแต่พระโอทที่เกิดแต่อกเกิดแต่อุระที่พระธรรมเนรมิตขึ้นเ อ, อพระวจนะของพระบรมศาสดาเนี่ยนะ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 แล้วพระ อ, องค์ดูแลอย่างนั้นจริงๆไหมดูแลทุกวันเนี่ยพระบรมศาสดาดูแลพระอยู่ไหมดูถามบ อ, อกว่าอามาเนี่ยมาที่เนี่พระศาสดาก็ดูแลอามาเนี่ยอาหารไปบินดบาบัดที่คนใส่นั่นแหะพระบรมศาสดาดูแลยามามาป่วยอามาก็มียารักษา นั่นล่ะคือพระบรมศาสดาทรงอนุญาตดูแลฉะนั้นในด้านของอามิตรเนี่ยพระองค์ดูแลอย่างดีแต่พระองค์ก็สมทัพ บ, บอกว่าดูกนภิกษุทั้งหลายแตถาคตไม่สรรเสริญอามิ t h สถายญาติแต่สรรเสริญธรรมทานญาตอามิต h เหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อจะเกื้อกูลเนะ เพื่อจะเป็นปราโตโคสะปัจจัยแก่เธอเพื่อจะยังศิกขาสามประชุมในใจเธอให้ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยดูแลทั้งด้านอามิ t h ทั้ทงด้านพระธรรมท ำ, ทำต้องการให้แม้ในทุกวันนี้พระองค์ก็ดูแลอยู่ถ้าถามบอกว่าถ้าสถานภาพก็มาเป็นเหมือนโยมเนี่ยไปที่ไหนโยมจะดูแลไหมจะไม่ดูแลเลย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 ไม่เห็นว่าพระบรมศสาสดาเกื้อกูลตนเองแล้วเนี่ยหมายถึงปัญญาไม่เกือ้อนี่ไงว่าปัญญาไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงไปเห็นพระมหากรุณาที่คุณของพระบรมศาสด า, สดาที่ทรงแผ่ขายพระยานเนี่ยวันละสิบสองแสนโกดมหาวชิรญยาณยอีกสิบสองแสนโกด ร, รวมเบ็ดเสร็จก็คือยี่สิบสี่แสนโกดก็คือสองล้านสี่แสนโกดสมาบัติ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 เพื่ออัาายในการที่เห็นโทษในกามกคุณกามะภูมิเป็นโทษของกามทั้งหลายวิริยะบารมีก็สร้างนิสรณชาสยะอัจาศัยในการที่ออกจากภพสัจจาบารมีก็สร้างนิสรณชาสยะนะแม้อธิฐานะบารมีก็สร้างนิสรณชาสยะสนุเบขาบารมีก็สร้างปริเวกัตชาสยะอัจาศัยที่สงบ น้อมเข้าหาความสงบน้อมเข้าหาความสงบนิสรณัติชาสยะก็อธัธยาศัยออกใช่ไหมเนคขมัชชาสยะก็คือปีดตนออกจากการมอโมหตชาสยะคืออธัธยาศัยที่ไม่หลงฉะนั้นในบรรดาบา ร, รมีธรรมต่างๆเหล่านี้นะทานบา ร, รมีสร้างอารมพัฒชาสยะศีลบา ร, รมีขันติเมตตาก็อโทสัจชาสยะปัญญาบา ร, รมีก็อมโมหตชาสยะคือไม่หลงเนคขมมะก็สร้างเนคขมัชชาสยะ วิริยาก็สร้างนิสรณนาชายาสัจจะอธิฐานนาก็สร้างนิสรณนาชายาส่วนอุเบขาบารมีก็สร้างปะวิเวกัตชายะคืออัธยาศัยที่สงบเงียบการบำเพ็ญบารมีนั้นเป็นการสร้างอัธยาศัยอันจะเป็นพื้นฐานให้บรรลุบรมธรรมฉะนั้นบารมีหรือปรรมีจึงแปลว่าเป็นคุณสมบัติที่ทําให้บรรลุปรมะหรือบรมธรรมทีนี้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 ฉะนั้นในบารมีทั้งสิบประการดังที่ได้กล่าวเนี่ยนะเมื่อบำเพ็ญเบ็ดเสร็จรแล้วเนี่ยอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายกำลังจะศึกษากันเนี่ยนะก็คือเราต้องการที่จะศึกษาคน้นคว้าเพื่อต้องการจะรู้ว่าพระบระมศาส ด, า, า, สด า, าเนี่ยนะท้าบ่มเพาะบารมีธรรมต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยเหตุผลก็คือว่าพระพุทธเจ้านี่นะทรงบ่มเพาะบารมี ที่ใช้ชั้นใช้คําว่าสามสิบทุวนเนะี่ยบารมีต่างๆเหล่าเนี้ยนี่นะตรงนี้ท่านกล่าวในความหมายแห่งการที่จะบําเพ็ญบารมีที่ท่านใช้คำว่าทำก็คือว่าทำ ท, ที่จะบ่มบารมีบารมีเหล่าเนี้ยนะเวลาเราสวดกันใช้คําปูเรตาวาทรงบําเพ็ญบารมีบริบูรณ์แล้วทรงให้สําเร็จเป็นไปอย่างไม่บกพร่อง บารมีโยบรารมีก็วิเคราะห์ที่ท่านกล่าวไว้ด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมไปย่อมดำเนินไปสู่ฝั่งบรมธรรมกล่าวคือปานิพานด้วยปฏิปทาเหล่านี้เหตุนั้นปฏิปทาเหล่านี้จึงชื่อว่าบรารมีติทัศน์ก็คือสามสิบท่วนแต่โยทัศน์อันนั้นเป็นทิคุทิคุสมาดก็คือท่านอิบายว่ า, วาบรารมีสาสิบทัศนี่นะอนุปเปอันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้เนี่ย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 เปรียบคนที่คิดแม้ตัดศีสาให้เป็นทานได้ควักหัวใจให้เป็นทานเป็นต้นได้ไม่เสียดายชีวิตเลยนั้นต่างๆนี้คันถึงบอกว่าอันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้ใครศึกษาบารมีธรรมของพระบรมศาสดาเนี่ยเขาอ่อนมนเลยให้ศึกษาดิคิดยังแทบไม่กล้าคิดเลย